เสียงกันด้วยชีวิตทุ่มอย่างไม่คิดวัดดวงลงไปเธอกลับโกงกันไม่เหลือแม้เศษใจทุ่มเทหมดใจกลับกลายเป็นร้อง ที่หนึ่งเรื่องเราที่ลึกซึ้งต้องพังทลายไม่อยากเป็นคนที่เคยเคยเป็นที่หนึ่งมันซึ้งถึงความเจ็บ เป็นร้องด้วยความยินดีคงไม่มีใครอยากแพ้ใครอยู่ดีมันคงต้องมีที่หนึ่งคนดี พังทลายไม่อยากเป็นคนที่เคยเคยเป็นที่หนึ่งมันซึงถึงความเจ็บชันแทบขาดใจ Cut. Down.